จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญ มาประพฤติมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมคุณค่าของชีวิตจิตใจเสริมความสุขความเจริญให้แก่จิตใจจิตใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนกับที่ดินผืนหนึ่งถ้าเราปล่อยที่ดินไว้เฉ ย, เฉย ไม่มีการดูแลไม่มีการพัฒนาก็อาจจะกลายเป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านไปได้หรือเป็นที่รกรุงรังด้วยวัชพืชต่างๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่ถ้าเราให้เวลามาคอยดูแลพัฒนาที่ดินของเราหาต้นไม้หา อะไรมาปลูกต้นไม้ที่มีผลมีดอกมาปลูกต่อไปที่ตรงนั้นก็จะมีคุณค่าราคาขึ้นมาเพราะมีต้นไม้ที่ออกดอกออกผลให้หรือถ้าเรามีเงินทองเราก็สามารถสร้างทาวลและวัตถุต่างๆขึ้นมาได้สร้างเป็นตึก สร้างเป็นโรงแรงสร้างเป็นศูนย์การค้าขึ้นมาที่เด่นเผยนั้นก็จะมีราคามากมายกายกองนะฉันใดใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้รับการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับปล่อยให้จิตใจของเรานี่เสื่อมลงไป ด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่จะฉุดลากให้จิตใจของเราต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเลื่อนลงไปเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรยเป็นนรกตามกำลังของความโลภความโกรธความหลงที่จะฉุดลากให้จิตใจไปทำบาปทำกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการเสริมคุณค่าหรือเสริมความสุขความเจริญให้แก่จิตใจแต่จะทำให้จิตใจนั้นเสื่อมลงไปถึงแม้ว่จะได้เงินได้ทองมาได้ตาแหน่งได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีก็จะเป็นอย่างที่เขาพูดกันคืออย่าไปปล่อยให้สัตว์เข้าสภาถ้าไปแสวงหา อำนาจผลประโยชน์ด้วยวิธีที่ไม่ชอบทุจริตผิดกฎหมายการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสูงขึ้นไม่ได้ทำให้เป็นเพรศเป็นพรงแต่จะทำให้จิตใจกลายเป็นเดรัจฉานกลายเป็นเสือสิงกระเทงแรดกลายเป็นเปรตหรือกลายเป็นสัตว์นรกไปดังนั้นเราต้อง เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามพัฒนาจิตใจของพวกเราอย่างสม่ำเสมอด้วยคุณธรรมชนิดต่างๆเช่นจาคะคือการเสียสละศีลคือการซื่อความซื่อสัตย์สุจริตธัมมะคือความอดกลั้นและขันติคือความอดทน นี่คือคุณธรรมสี่ประการที่จะทำให้จิตใจของเรามีคุณค่าขึ้นมามีความสุขมากขึ้นอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่การบำเพ็ญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เช่นจ า, าระคะนี้ท่านทรงสอนให้เราเสียสละคาว่าจาราคะนี้ก็แปลว่าเสียสละ เสียสละอะไรเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นบ้างเรามีประโยชน์มีความสุขพอที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้เราก็ควรที่จะแบ่งปันกันเช่นวันนี้ญาติโยมก็นำประโยชน์และความสุขมาให้กับพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ประโยชน์ก็คือเครื่องใช้ไม่ส้อยต่างๆที่จะเอาไปใช้กับความจำเป็นอาหารเพื่อรับประทานพอได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็จะได้ความสุขนี่คือการแบ่งปันประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นการเสียสละแบบนี้ จะทำให้ใจเราสูงขึ้นถ้าเป็นมนุษย์ก็จะขยะขึ้นไปเป็นเทเสกกนเราจะจิตใจจะสูงได้ต้องรู้จากการเสียสละไม่ใช่จะเอาแต่ได้อย่างเดียวการเอาอย่างเดียวนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสูงขึ้นมีแต่จะทำให้จิตใจต่ำลงถ้าไม่ระมัดระวังถ้าไม่ หามาด้วยความสุขเจคือต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมคนเราจึงต้องรู้จักให้กันรู้จักเสียสละกันการเสียสละนี้ไม่ได้เป็นการเสียหายแต่อย่างใดกับจิตใจแต่กับทำให้จิตใจนี้มีความสุขมากขึ้นและทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นผู้ที่เสียสละมักจะถูก ได้รับการยกย่องสรรเสริญถึงแม้ว่าชีวิตของท่านเหล่านั้นจะเสียไปแล้วก็ตามแต่คุณธรรมกิตติศัพท์ความดีงามก็ยังหลงเหลืออยู่ภายในใจของผู้อื่นเป็นที่เคารพรักของผู้อื่นอย่างที่เราได้ให้ความเคารพต่อวีรบุรุษต่างๆ ที่เสียสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นพระองค์หลังจากที่ทรงตัดสรูแล้วก็ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์ให้แก่การสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยแม้แต่นิดเดียว ยินดีทำด้วยจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตากรุณาจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความหยากต่างๆไม่ได้ทําเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใดหวังแต่ประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ ได้รับคำสอนไปเท่านั้นจึงปรากฏมีผู้ที่ได้รับคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติกลายเป็นพระอารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากได้รับประโยชน์สุขที่สูงสุดคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขที่ถาวร ความสุขที่เต็มร้อยความสุขที่ไม่มีความทุกมามาประสมเจือปนด้วยเลยนี่คื อ, อาจาคะของพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ถึง45าพระพรรษาด้วยกันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่เคยได้รับประโยชน์สุขจากผู้ที่ ทรงได้ให้ความช่วยเหลือเลยแต่ได้รับความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญกราบไหว้บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คืออนิสง์ของการมีจากะคือการเสียสละเราอยู่กับใครถ้าเรามีการเสียสละ เราจะเป็นที่รักของคนที่เราอยู่ด้วยเช่นเวลาต้องมีอะไรที่จะต้องแบ่งกันหรือหรือจะจำเป็นจะต้องให้ผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเราเสียสละเราไม่รับเราให้ผู้อื่นเขาไปเราก็จะเป็นที่รักของผู้อื่นเช่นถ้าทำงานที่ทำงานแล้วมีตาแหน่งว่างอยู่ ผู้จัดการก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเราก็ดีแต่เราเป็นคนที่มีจาคะเราก็จะบอกไปเลยว่าเราเสียสละเราไม่ขอรับตาแหน่งนี้ขอให้มอบไปให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้จะทำให้เรากับมีคุณค่ากับมีราคามากกว่าคนที่ได้รับตำแหน่ง ตำแหน่งอาจจะสูงขึ้นอาจจะดูในทางโลกว่ามีศักดิ์ศรีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามองในทางธรรมหรือมองทางด้านจิตใจแล้วคนที่ไม่ได้ตำแหน่งคนที่เสียสละตำแหน่งนี้กลับเป็นคนที่มีคุณค่าสูงกว่ามีคุณค่ามีราคามากกว่าเพราะเป็นคนที่ทำให้คนอื่น มีความสุขยอมเสียสละถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ยอมเสียสละแก่งแย่งชิงดีกันคนที่ได้นั้นไม่ได้ทำให้คนที่เขาไม่ได้มีความรู้สึกดีขึ้นเลยกับทำให้เขามีความไม่สบายใจเป็นการสร้างศัตรูไม่ได้เป็นการสร้างมิตร แต่ถ้าเรามีการเสียสละอยู่เรื่อยๆเราจะสร้างมิตรขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจะไม่มีใครโกรธใครเกลียดเราเพราะเราไม่ได้ไปขัดขวางไม่ได้ไปแก่งแย่งชิงดีกับใครทั้งนั้นเราเยินดีอยู่ตามสภาพของเราดาบใดที่เราพอมีพอกินเราก็พอใจแล้ว นี่คือลักษณะของคนที่มีจาคะคือจะเป็นคนนักน้อยสันโดษไม่โลภมากยินดีตามมีตามเกิดถ้ามีก็ยินดีถ้าไม่มีก็ยินดีจะไม่รู้สึกเสียใจจะไม่รู้สึกผิดหวังต่างกับคนที่มีความโลภมากอยากได้มากเวลาไม่ได้อะไรตามความอยาก ก็จะรู้สึกเสีย อ, อกเสียใจเศร้าหมองรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในตนเองเลยแต่ความจริงแล้วการที่ไม่รับอะไรไม่อยากได้อะไรนี้กลับทําให้ใจนี้มีความสุขมีคุณค่ามีความภูมิใจที่เราไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับผู้อื่น เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราแก่งแย่งชิงดีกันนี้ในที่สุดเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเวลาเราตายไปเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากความอยากได้ความแก่งแย่งชิงดีความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรามีจาระคเราก็จะไปแบบคนที่ไม่เห็นแก่ตัว ไปแบบมีความสุขมีความสบายใจไม่รู้สึกเสียดายกับสิ่งต่างๆที่ต้องจากไปเพราะไม่ได้มีความอยากได้มาเพราะด้วยความจําเป็นหามาด้วยความจําเป็นแต่ไม่ได้หามาด้วยความอยากเพื่อที่จะอวดชาวบ้านอวดคนอื่นว่าตนเองนั้นเก่ง ตนเองนั้นวิเศษตนเองนั้นร่ำรวยนี่คือเรื่องของจิตใจขอให้เราพยายามมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจยอย่าไปมองผลที่เราได้จากสิ่งต่างๆเช่นได้รับเงินมากๆ ม, มีเงาะเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีแต่จิตใจนั้นไม่มีจาระคาเลย ไม่มีการเสียสละเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความโลภโมโทสั์จิตใจไม่ได้เจริญตามลาภยศที่ได้มาไม่ได้เป็นใหญ่เป็นเหมือนตำแหน่งของนายกของรัฐมนตรีจิตใจกับเป็นตำแหน่งของเดรัจฉานเพราะหามาด้วยการประพฤติมิชอบ ทำผิดศีลผิดธรรมนั่นเองดังนั้นการมีจาระหนึ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณค่าชีวิตจิตใจของเราถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีคนรักคนห่วงคนอยากจะให้อยู่ด้วยนานๆเราต้องมีจาคะ ต้องมีการเสียสละเวลาเราจากไปคนเขาจะเสียดายคนเขาจะร้องผมร้องไห้คนเขาไม่อยากจะให้เราไปในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีจา่าคะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเวลาเราจากเขาไปนี่มีแต่คนเขาจะรู้สึกโล่ง อ, อกล่งใจไปได้ก็ดี เขาจะรู้สึกอย่างนั้นกับคนที่ไม่มีจาระคไม่มีการเสียสละมีแต่ความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นดังนั้นขอให้เราพยายามเจริจาคะนี้ไว้ตลอดเวลาเวลาที่เราอยู่กับใครอย่าไปแก่งแย่งชิงดีอย่าไปอยากได้อะไรถ้า ถ้าไม่ได้มาด้วยความถูกต้องหรือมาด้วยความความรู้ความดีความสามารถของเราอย่าไปขวาคว้าไปแก่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นไม่ได้ไม่ตาย mm hmm. แล้วกถ็ถึงแม้ได้มาในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันตายไปก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันจึงไม่คุ้ม ค่าต่อการที่จะต้องสูญเสียคุณธรรมคือจาระคะไปโดยการไปแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่เป็นการพัฒนาจิตใจแต่เป็นการฉุดล่ากให้จิตใจนั้นเสื่อมลงไปต่ำลงไปนั่นเอง<ม>คุณธรรมข้อที่สองก็คือศีลความซื่อสัตย์สุจริต อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะวัดคุณค่าของจิตใจของเราคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี้มีราคาแตกต่างกันเวลาไปสมัครงานเขาจะเลือกเอาคนที่มีศีลคนที่มีไม่มีศีลนี้เขาไม่อยากจะเอาไปเขาไม่อยากจะรับเพราะเขากลัวว่าจะมาทำร้ายเขานั่นเองจะมารักทรัพย์ จะมาประพฤติผิดประเวณีจะมาโกหกหลอกลวงจะมาฆ่าผู้อื่นจะมาเสพสุรายาเมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนที่มีศีลนี้จะไม่เป็นเพศเป็นภัยแก่ผู้อื่นเพราะจะไม่ฆ่าผู้อื่นจะไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ไปประพฤติผิด สามีภรรยาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวงและจะไม่เสพสุรายาเมาแล้วก็ไปอรารวาสสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นลองพิจารณาดูว่าคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี้คนไหนมีคุณค่ามีราคากว่ากัอนอยากจะได้คนไหนอยากจะได้คนมีศีล หรืออยากจะไม่ได้คนมีศีลคนที่มาบวชเพียงแต่ห่มผ้าเหลืองโคนสีรัะก็ยังกลายเป็นคนมีคุณค่าขึ้นมาทันทีพ่อแม่ยังต้องกราบต้องว่วเพราะอย่างน้อยก็เชื่อในเจตนารณุณ์ว่ามาบวชแล้วจะมีศีลมีธรรมถ้าไม่ได้บวชนี้พ่อแม่เขาไม่กราบลูกหรอกมีแต่ลูกต้องกราบพ่อแม่ แต่พอมาบวชโกนศรีรษะผมข่าเหลืองเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าสมควรต่อการกราบไหว้บูชาแล้วนี่คือความสำคัญของศีลธรรมใครมีศีลธรรมแล้วจะเป็นคนที่อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุว จิตใจจะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองต่างกับคนที่ไม่มีศีลทำผิดศีลผิดธรมนี้จะมีใจิตใจว้าวุ่นขุ่นบัววิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนวัวสัตว์หลังหวัา เป็นมีแผลเวลามีมาแมลงมีอะไรมาตอมก็จะรู้สึกเจ็บแต่คนที่มีศีลนี้เป็นคนที่ไม่มีแผลไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดกับการมาตอมของมแมลงต่างๆนี่คือเรื่องทางจิตใจภายนอกก็จะเป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่น ภายในก็จะทำให้ใจมีความล่มเย็นเป็นสุดไม่หวาดกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษจับไปประนามจับไปทำอะไรต่างๆเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองแต่ถ้าทำเสียหายก็จะต้องถูกเขาจับไปขังในคุกในตาราง จะไปลงโทษถ้าเป็นโทษหนักก็จะถึงกับการประหารชีวิตเลยนี่เป็นผลเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปนี้ยังต้องไปต่อไปรับผลต่ออีกเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้ตายนั้นยังมีหลงเหลืออยู่ตายแต่ร่างกายร่างกายนี้ไม่สามารถไปรับโทษได้แล้ว แต่ใจนี้ยังไปรับโทษต่อใจนี้ไม่ตายคนเรานี้มีสองส่วนมีร่างกายและมีใจใจเป็นนายกายเป็นบาปใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทําเวลาที่ทําไปแล้วใจก็ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทําของร่างกายด้วยไปทําบาปทํากรรม พอตายไปใจก็ต้องไปรับผลต่อต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างตามกําลังของบาป ท, ที่ทำเอาไว้ส่วนนี้พวกเราจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะเราไม่มีตาในที่จะเห็นใจของเราที่จะติดตามดูใจของเราว่า หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราจะไปเป็นอะไรต่อนอกจากคนตาในเท่านั้นที่จะเห็นได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเปิดตาในขึ้นมาพวกเรามีตาในเหมือนท่านแต่ตาในของพวเราตอนนี้ถูกปิดอยู่ถูกปิดด้วยความหลงความนุดบอล จึงทำให้เราไม่เห็นว่าเรามีใจที่จะต้องไปรับผลของการกระทำของเราต่อไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วก็ตามต้องรับผลด้วยการทุกข์ผลถ้าทำกรรมดีก็จะรับผลดีถ้าทำกรรมชั่วก็จะต้องรับผลชั่วเช่นถ้าทำแต่กรรมดีไม่ทำบา ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยหรือถ้าทำบุญทำความดีไวมากก็ไปรับผลบุญก่อนไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าทำบุญได้อย่างสูงสุดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเลย เช่นพออระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านทําบุญถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานใจของท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมารับผลของกรรมที่ยังไม่ได้ส่งผลนี่คือเรื่องของใจของเราที่จะต้องไปรับผลบุญและบาปที่เราทําไว้ ถ้าเราไม่มีสิงเราตายไปเราต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างจนกว่าบาปนั้นมันหมดอายุหมดกำลังแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้ายังไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญอยู่ไปทำบาปต่ออีก ตายไปก็จะต้องกลับไปเกิดเป็นอย่างนั้นอีกต้องกลับไปเกิดในอบายอีกก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือพบกับคนดีที่จะดึงให้ไปทำในสิ่งที่ดีเช่นดึงไปให้เสียสละดึงไปให้รักษาสิงเป็นต้น นี่คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วใจของเราจะดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นถ้าเรามีจาคะะมีศีลเราก็จะมีคุณค่าสองเท่า ถ้ามีจาระก็มีคุณค่าเพียงเท่าเดียวถ้ามีศีลก็จะมีสองเท่าแล้วถ้าเรามีธรรมะธรรมะคือแปลว่าความอดกลั้นก็ยิ่งจะมีคุณค่าสูงขึ้นความอดกลั้นนี้ให้อดกลั้นกับอะไรก็ให้อดกลั้นต่ออารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราเช่นความโกรธความเกลียด ความโลกความเศร้าโศกเสียใจความอาลัยอาวรความเบื่อหน่ายถ้าเราไม่อดกั้นต่ออารมณ์เหล่านี้บ่อยให้อารมณ์เหล่านี้สั่งให้เราไปทำสิ่งต่างๆเราก็จะไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและสร้างความเสียหายให้กับตัวเรา เช่นถ้าเรามีความโกรธแล้วเราไม่สามารถอดกัน้นอดความโกรดนี้ได้ปล่อยให้ความโกรดนี้ระบายออกไปทางวาจาและการกระทําเราก็จะพูดไม่ดีเราก็จะพูดคำหยาเราก็จะด่าว่ากล่าวร้ายผู้อื่นแล้วก็จะไปทำร้ายผู้อื่น เมื่อเราทำแล้วก็จะเกิดผลเสียหายตามมาผู้อื่นเมื่อเขาถูกทำร้ายเขาก็จะต้องตอบโต้ทันทีถ้าเราไปด่าผู้อื่นเขาก็จะต้องด่ากลับทันทีแล้วก็จะต้องต่อสู้กันไปเป็นเวรเป็นกรรมกันไปจิตใจก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักอดกลั้น ระ ง, งับความโกรธภายในใจของเราหรืออย่างน้อยไม่ปล่อยให้ออกมาทางกายทางวาจาคือให้มันอยู่ในใจมันจะโกรธก็ให้มันโกรธไปถ้าเรายังดับมันไม่ได้ก็ปล่อยมันโกรธไปแต่อย่าไปพูดอะไรอย่าไปทำอะไรตอนนั้นถ้าหลบไปได้ก็หลบไปหาที่สงบไป ไปหามุมสงบไปสงบสติอารมณ์อย่าไปอยู่กับเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธขึ้นมาเช่นอยู่ต่อหน้ากับคนที่เขาทำให้เราโกรธเพราะจะทำให้ความโกรธนี้มีกำลังแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราปลีกตัวไปได้ก็หลบไปหลบไปเข้าไปนั่งในห้องน้าสักพักหนึ่งก็ได้สงบสติอารมณ์ให้ความโกรธนั้นหายไปก่อน หรือว่าถ้าเราเคยฝึกควบคุมอารมณ์ของเราด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธควบคุม จ, จิตใจไม่ให้ไปคิดถึงความโกรธได้ก็ให้เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทำให้เราโกรธไม่นานความโกรธนั้นก็จะหายไปเราก็จะอดกลั้นเราก็จะมีความอดกลั้นได้ เราก็จะไม่ไปทำสิ่งที่เกิดความเสียหายได้ถ้าเรามีธรรมะความอดกลั้นอยู่ในใจของเราเราก็จะมีคุณท่าเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าด้วยกันจะมีมากกว่าคนที่มีศีลคนที่มีจาคะเพราะเรามีธรรมะเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งแล้วถ้าเรามีขันติความอดทนนี้อีกข้อหนึ่ง เราก็ยิ่งจะมีคุณค่าสูงมากขึ้นไปความอดทนนี้ก็คือให้อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอดทนต่อความแก่อดทนต่อความตายอดทนต่อการพัาดพราดจากกัน ทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้นิ่งให้สงบหรือให้ปลงว่าเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดามีเจริญย่อมมีเสื่อมเป็นธรรมดามีสุขย่อมมีทุ่ขเป็นธรรมดามีสรรเสริญย่อมมีนินทาเป็นธรรมดามีการมีรวยได้ก็จมได้มีตำแหน่งสูงก็หมด หมดจากตำแหน่งนั้นได้เช่นเป็นนายกได้สี่ปีพอถึงวาละก็หมดตำแหน่งไปถ้าทำใจไม่ได้ก็จะไปทำสิ่งที่เสียหายได้แต่ถ้าทำใจได้ก็จะไม่ไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมายอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ ไม่ว่าจะเจริญหรือจะเสือ่อมเราต้องยอมรับความจริงอย่าไปต่อสู้อย่าไปขัดขืนอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรืออย่าไปทำบาปทํากรรมทำผิดกฎหมายเพื่อให้เราได้รักษาสิ่งที่เราอยากได้ไว้อยู่กับเราเพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย จะทำให้มีปัญหามีผลที่ไม่ดีตามมาเช่นไปทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกเขาตามจับพาขึา้นศาลเช่นไปโกงก็จะต้องถูกยึดทรัพย์ไปไปโกงทรัพย์ของผู้อื่นมาในที่สุดก็จะต้องถูกเขาจับขึ้นศาลเมื่อศาลตัดสินว่าโกงจริงๆก็ต้องถูกยึดทรัพย์ไปไม่คุ้มค่ากับ เวลาที่เราจะต้องเสียกับการมาขึ้นศาลแล้วก็มาเสียสิ่งที่เราโกงมาถ้าอยากจะได้อะไรก็ให้หามาด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วสิ่งที่เราได้มานั้นจะไม่มีใครสามารถมายึดจากเราไปได้เพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายนั่นเองถ้าเรามีขันติเราก็จะสามารถรักษา สถานภาพที่ดีงามของเราไว้ได้เราจะไม่ทำอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเสื่อมเสียแต่ถ้าเราไม่มีขันติแล้วเราไม่อดทนเราก็อาจจะไปทำผิดกฎหมายไปทําผิดศีลผิดธรรมได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปกลายเป็นอาชญากรไปกลายเป็นผู้ร้ายไป กลายเป็นนักโทษไปไม่มีคุณค่าไม่มีใครยกย่องอาชญากรไม่มีใครยกย่องคนที่ติดคุกติดตารางดังนั้นถ้าเราอยากจะเสริมคุณค่าของชีวิตของเราให้ได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องมีขันติด้วยเราต้องมีจาคะคือการเสียสละมีสิงคือความซื่อสัตย์สุดจริญมีธรรมะคือความอดกลั้นอด แล้วก็มีขันติความอดทนได้เรามีคุณธรรมทั้งสีประการแล้วชีวิตจิตใจของเราจะมีคุณค่าเต็นร้อยอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องของการมาเสริมคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาบำเพ็ญคุณธรรมทั้งสี่ประการคือจาคะการเสียสละ ศีลความซื่อสัตย์สุจริงธรรมะความอดกลั้นและขันติความอดทนให้ท่านได้นำเอาไปพิจิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศล